ความรู้ที่จะแก้ปัญหาต่างๆที่พวกเรามีกันอยู่ให้หมดสิ้นไปปัญหาของพวกเราคืออะไรปัญหาของพวกเราก็คือความไม่สบายใจต่างๆนี่เองทุกคน ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่เป็นหญิงเป็นชายเป็นคนหนุ่มคนสาวหรือคนชราคนรวยหรือคนจนคนยิ่งใหญ่หรือคนต่าต้อยร้วนมีปัญหาเหมือนกันหมดทุกคนปัญหานั้นก็คือความไม่สบายใจต่างๆนี่เอง ทุกคนมีความไม่สบายใจกับเรื่องนั้นเรื่องนี้กับคนนั้นคนนี้กับสิ่งนั้นสิ่งนี้วิตกกังวลห่วงใยหวาดกลัวเศร้าโศกเสียใจกวลกวายกระสับกระสายกินไม่ได้นอนไม่หลับ นี่คืออาการของความไม่สบายใจต่างๆที่พวกเราทุกคนนี้มีเหมือนกันหมดแต่พวกเรากลับไม่รู้จากวิธีแก้มันวิธีที่เราแก้มันก็เป็นวิธีที่ไม่ถูกต้องคือแก้ได้เพียงชั่วครั้งชั่วคราว แก่อย่างไรมันก็ไม่มีวันหมดไปแก่แล้วมันก็กลับมาใหม่แก่ได้ชั่วคราวไม่สามารถแก้ให้มันหายไปได้อย่างท้าวรเราจึงต้องมาพึ่งผู้ที่รู้วิธีแก้ปัญหาของความไม่สบายใจต่างๆนี้ให้หมดสิ้นไปอย่างท้าวร ผู้ที่รู้นี้ก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั่นเองที่เราถือเป็นสารณะเป็นที่พึ่งเป็นครูเป็นอาจารย์ที่พึ่งของพระพุทธศาสนาคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้เป็นที่พึ่งเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นผู้สั่งเป็นผู้สอนไม่ใช่เป็นผู้ทํานู่นทํานี่ให้เรา ไม่ใช่เป็นผู้เสกเป่าให้เราต้องการอะไรให้ท่านเสกให้เราเป่าให้เราอันนี้ไม่ใช่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สอนเราบอกเราวิธีแก้ปัญหาความไม่สบายใจต่างๆของพวกเราให้หมดสิ้นไปได้อย่างถามวนดังนั้นเราต้อง ทำความเข้าใจให้ถูกต้องก่อนว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั้นท่านมีหน้าที่อย่างไรท่านช่วยเราได้อย่างไรท่านช่วยบอกเราให้เรารู้วิธีแก้ปัญหาของเราเพราะพวกเราแก้ปัญหาของพวกเราไม่ได้เราก็เลยต้องพึ่งคนที่แก้ได้ ให้เป็นผู้มาสอนมาบอกวิธีแก้ให้กับเราแต่เราจะไปให้ท่านมาแก้ให้เรานี้เป็นไปไม่ได้เราต้องการอะไรเราให้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หามาให้เราไม่ได้เราต้องเป็นผู้กระทำเองเราต้องเป็นผู้แก้เองแก้ด้วยการศึกษา พระธรรมคำสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเราได้ศึกษาแล้วเราจะได้รู้ว่าผู้ที่มาสร้างความไม่สบายใจต่างๆให้กับเรานี้ไม่ใช่ใครที่ไหนหรอกตัวเราเองนี่แหละเป็นผู้สร้างความไม่สบายใจต่างๆให้กับตัวเราเองแต่เรามักจะไม่รู้ แล้วเรามักจะไปโทษผู้อื่นไปโทษสิ่งอื่นไปโทษอากาศบ้างฝนตกก็โทษอากาศอากาศหนาวก็โทษอากาศไม่สบายใจเพราะฝนตกก็โทษฝนไม่สบายใจเพราะอากาศหนาวก็โทษอากาศหนาวไม่สบายใจเพราะคนนั้นพูดไม่ดีก็ไปโทษว่าเขาพูดไม่ดีเขาทำให้เราไม่สบายใจ อันนี้ไม่ใช่เป็นเหตุที่ทำให้เราไม่สบายใจถ้าเราศึกษาจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ท่านจะบอกว่าเรานี่แหละตัวเราเองเป็นผู้ทำให้เราไม่สบายใจด้วยความโง่เขลาเบาปัญญาของเราเองที่ไปทำให้เร า, อ, าอยากได้สิ่งต่างๆ มาให้ความสุขกับเราเพราะสิ่งต่างๆที่เราไปหามาไม่ได้ให้ความสุขกับเราเราก็เลยเกิดความไม่สบายใจขึ้นมานั่นเองอนี่แหละคือต้นเหตุของปัญหาทั้งหมดคือความโง่ความไม่ฉลาดของพวกเราที่ไปคิดว่าความสุขของพวกเรา อยู่กับคนนั้นคนนี้อยู่กับสิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่กับเหตุการณ์นั้นเหตุการณ์นี้อยู่กับรูปอยู่กับเสียงอยู่กับกลิ่นอยู่กับรสอยู่กับสัมผัสอะไรต่างๆที่ใจเราไปสัมผัสรับรู้สิ่งต่างๆเหล่านี้เขาไม่ได้เป็นผู้ที่ทำให้เราไม่สบายใจกัน ผู้ที่ทำให้เราไม่สบายใจคือความอยากได้ความสุขจากสิ่งต่างๆเหล่านี้พอเราไม่ได้เราก็เกิดความไม่สบายใจขึ้นมาพอเราได้แล้วเราก็เกิดความลักความหวงในสิ่งที่เราได้มาแล้วก็วิตกกังวลกลัวว่าจะสูญเสียไปพอเรา เห็นว่าบางทีสิ่งที่เรารักที่เราชอบบางทีก็ไม่ได้อยู่กับเราไปตลอดได้มาแล้วเดี๋ยววันดีคืนดีก็จากเราไปได้เราเลยมีความวิตกมีความกังวลมีความไม่สบายใจกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เราไปมีความสัมพันธ์ มีความเกี่ยวข้องด้วยนี่แหละคือปัญหาที่แท้จริงคือความไม่ฉลาดของพวกเราที่ไปหวังหาความสุขจากสิ่งต่างๆจากบุคคลต่างๆที่ไม่แน่นอนบางทีเขาก็ให้ความสุขกับเราถ้าเขาให้ความสุขกับเราเราก็ปลอด ปลอดภัยไปรอดตัวไปความไม่สบายใจหายไปแต่พอเขาเปลี่ยนไปเขาไม่ให้ความสุขกับเราทีนี้ความไม่สบายใจก็จะปรากฏขึ้นมาเราก็เลยไปแก้ที่เขาไปแก้ให้เขาให้ความสุขกับเราต่อไป เคยให้ความสุขกับเราทำไมตอนนี้ไม่ให้ความสุขกับเราก็เพราะเขาเปลี่ยนไปเขาเปลี่ยนไปเป็นหน้ามือเป็นหลังมือแล้วเราไปเปลี่ยนให้เขากลับมาเหมือนเดิมได้หรือเปล่าบางทีก็เปลี่ยนได้ถ้าเปลี่ยนได้ก็สบายใจไป ถ้าเปลี่ยนไม่ได้ก็เสีย อ, อกเสียใจไปนี่แหละความเสีย อ, อกเสียใจอยู่ที่ความอยากของเราอยากจะให้สิ่งที่เรามีหรือว่าที่เราอยากได้ให้เราให้ความสุขกับเราเพียงอย่างเดียวไม่ต้องการให้เขาให้ความทุกข์ ต่างๆกับเราแต่ถ้าเราศึกษาความเป็นจริงแล้วเราจะเห็นว่าสิ่งต่างๆนั้นหรือบุคคลต่างๆนั้นเหตุการณ์ต่างๆนั้นเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมบังคับได้เสมอไปไม่สามารถสั่งให้เป็นไปตามความอยากตามความต้องการของเราได้เสมอไป พอไม่สามารถควบคุมได้มันก็เลยทำให้เราไม่สบายใจเพราะเราอยากจะควบคุมเขาอยากจะเปลี่ยนเขาอยากจะสั่งเขาให้เขาเป็นไปตามความต้องการของเรานั่นก็เป็นเพราะเราไม่ฉลาดเราไม่รู้ความจริงของสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ ที่เราแสวงหากันเพื่อมาให้ความสุขกับเราว่ามันเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะควบคุมบังคับสั่งได้เสมอไปบางทีเราก็สั่งให้เขาให้ความสุขกับเราได้บางทีเราก็สั่งไม่ได้พอเราสั่งไม่ได้มันก็เลยทำให้เราไม่สบายใจกัน แต่เราก็ไม่ยอมเมื่อสั่งไม่ได้ก็ต้องหาวิธีบังคับกันควบคุมบังคับกันใช้แรงกดดันใช้อำนาจต่างๆเพื่อที่จะมาบังคับให้สิ่งนั้นเป็นไปตามความต้องการของเราบางทีก็เกิดปัญหาขึ้นม า, าเมื่อมีการบังคับกันมีการต่อสู้กัน แทนที่จะแก้ปัญหากับเพิ่มปัญหาให้มีมากเพิ่มขึ้นไปอีกเพราะเราไม่รู้ความจริงว่าวิธีแก้ปัญหานั้นต้องมาแก้ที่ตัวเราแก้ที่ตัวความอยากของเรานี่เองแก้ที่ตัวความไม่ฉลาดของเราให้เราฉลาด ให้เรารู้ว่าเราแก้เขาไม่ได้เราไปบังคับเขาไม่ได้ถ้าเราใช้กำลังใช้อำนาจก็จะมีการต่อสู้กันแล้วก็จะกลายเป็นปัญหาบานปลายขึ้นมาเราต้องมาแก้ที่ตัวเราให้เรามองให้เห็นความจริงว่า บางทีเราก็เปลี่ยนเขาไม่ได้สั่งเขาไม่ได้บางทีเราก็เปลี่ยนเขาได้สั่งเขาได้ถ้าเปลี่ยนได้สั่งได้ก็ทำไปถ้าเปลี่ยนไม่ได้สั่งไม่ได้ก็ควรที่จะหยุดหยุดความอยากที่จะไปเปลี่ยนเขาไปสั่งเขาให้เขาทำตามความอยากทำตามความต้องการของเราพอเรามี ปัญญามีความรู้เห็นความจริงนี่แหละแสงสว่างเห็นธรรมเห็นความจริงของธรรมชาติของสิ่งต่างๆที่เราไปหวังไปอยากได้มาให้ความสุขกับเราว่าเขาเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนบางทีเขาก็ให้บางทีเขาก็ไม่ให้เรา ให้ความสุขกับเราบางทีก็ให้ความทุกข์กับเรา<ม>แล้วเราก็ไปควบคุมบังคับเขาไม่ได้ถ้าเราเห็นความจริงอันนี้เราก็อย่าไปหวังอะไรจากเขาอย่าไปต้องการอะไรจากเขาแล้วความไม่สบายใจก็จะหายไปแต่ปัญหาคือเรา หยุดความอยากของเราไม่ได้ความอยากของเรานี้มันมีอำนาจครอบงำจิตใจของเราพออยากอะไรแล้วจะต้องได้เพียงอย่างเดียวถ้าไม่ได้แล้วก็จะขอดินด้นตายจะดิ้นตายยอมดิ้นตายเพราะเวลาอยากแล้วไม่ได้นี้มันทรมานใจ นี่แหละคือความไม่สบายใจของเราเกิดจากความอยากและความอยากก็เกิดจากความหลงหรือความไม่รู้ความจริงของสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอน เป็นได้ทั้งสองอย่างเป็นสุขก็ได้เป็นทุกข์ก็ได้เวลาได้สุขก็หลงคิดว่า เ, เราสามารถหาความสุขจากเขาได้เรื่อยๆพอเขาพลิกไปเปลี่ยนไปเป็นความทุกข์ก็เศร้าโศกเสียใจร้องห่มร้องไห้วุ่นวายใจไม่สบายใจถ้าเรา รู้ความจริงแล้วเราจะได้ถอนตัวเราออกจากเขาดีกว่าเพราะถ้าไปเกี่ยวข้องกับเขาวันดีคืนดีก็จะต้องเจอความทุกข์อย่างแน่นอนเพราะเขาจะไม่เป็นเหมือนเดิมเหมือนตอนที่เราได้เขามาใหม่ๆเวลาได้มาใหม่ๆมักจะให้ความสุขกับเรา แต่พอเวลาผ่านไปมีเหตุการณ์เปลี่ยนไปมีอะไรเปลี่ยนไปเขาเคยให้ความสุขกับเราก็อาจจะหยุดให้ความสุขกับเราหลือเปลี่ยนจากการให้ความสุขกับเรามาให้ความทุกข์กับเราอันนี้แหละที่ทำให้เราทุกข์ใจกันเพราะเราไม่ฉลาด พอเราไปหลงคิดว่าเราสามารถหาความสุขจากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ได้หาความสุขจากบุคคลต่างๆหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆแต่เร า, ไ ม, เาไม่เห็นธรรมชาติความเป็นจริงของเขาว่านอกจากที่เขาจะให้ความสุขกับเราแล้ว เขาก็สามารถให้ความทุกข์กับเราได้ด้วย เ, เวลาที่เขาเปลี่ยนไปเพราะเขาเป็นสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่เป็นเหมือนเดิมตลอดเวลาทุกอย่างมีเกิดแล้วก็มีเจริญแล้วก็มีเสื่อมแล้วก็มีดับไปเป็นธรรมด า, าถ้าเราหวังให้เขาไม่เสื่อม ไม่ไม่ดับเราก็จะผิดหวงังเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อเกิดแล้วต้องมีการเจริญมีการเสื่อมและมีการดับไปเป็นธรรมดานั่นเองถ้าเราเห็นว่าเขาต้องเสื่อมต้องดับไปเราจะได้ ไม่ไปยุ่งกับเขาดีกว่าถ้าเราไม่ไปยุ่งกับเขาไม่ไปหยาด ก, กับเขาเวลาเขาเสื่อมเวลาเขาดับไปเขาจะไม่ทําให้เราไม่สบายใจนี่แหละคือปัญหาของพวกเราอยู่ที่ความไม่ฉลาดหรือความโง่ของพวกเรานั่นเอง ที่มองไม่เห็นธรรมชาติความเป็นจริงของสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ว่าเขาจะไม่ได้ให้ความสุขกับเราเพียงอย่างเดียวไม่ช้าก็เร็วเขาก็จะต้องให้ความทุกข์กับเราถ้าเราได้มาพบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธเจ้าก็จะสอน วิธีที่จะทำให้พวกเราไม่ต้องไปหาความสุขจากสิ่งต่างๆที่ไม่เที่ยงที่เราควบคุมบังคับไม่ได้ที่จะต้องให้ความทุกข์กับเราต่อไปในอนาคตถ้าเราเรียนรู้วิธีเราก็จะถอนตัวเราออกจากการแสวงหาสิ่งต่างๆมาให้ความสุขกับเราได้ ตอนนี้พวกเราถึงแม้จะรู้ว่าสิ่งต่างๆที่พวกเรา <c oughs> ต้องการมาให้ความสุขกับเรานั้นจะต้องให้ความทุกข์กับเราต่อไปในอนาคตจะต้องให้ความไม่สบายอกสมายใจกับเราแต่เราก็ยังไม่มีกำลัง ที่จะถอนตัวเราออกจากสิ่งต่างๆได้เพราะเราก็เป็นเหมือนคนติดยาเสพติดนี่เองคนที่ติดยาเสพติดแล้วนี่จะไม่อยากจะถอนตัวเองออกจากยาเสพติดเพราะเวลาจะถอนนี่มันจะทุกข์ทรมานใจมากมนั่นเองเวลาที่จะต้องอดยาเสพติดเริม เอาของง่ายๆไม่ต้องยาเสพติดก็ได้สิ่งที่เราเสพเป็นประจำเช่นบุหรี่สุราหรือกาแฟเครื่องดื่มต่างๆหรือละครภาพยนตร์ที่เราดูกันเป็นประจำหรือการร่วมหลับนอนกับแฟนอันนี้เป็นสิ่งที่เราเสพกันเป็นประจำ ถ้าเราต้องการที่จะเลิกที่จะหยุดนี่มันไม่ใช่เป็นของง่ายเพราะว่าเวลามันเลิกใหม่ๆนี่มันจะรู้สึกทรมานใจเพราะใจยังขวายควายังยังอยากได้สิ่งต่างๆที่เคยเสพอยู่พอเวลาไม่ได้เสพขึ้นมา ก็มีอาการเหมือนคนติดยาเสพติดนี่แหละมีความหงุดหงิดนำคาญใจไม่สบายใจนี้เองนี่แหละคือปัญหาของพวกเราคืออยู่กับมันก็ทุกข์จะเลิกจากมันก็ทุกข์อีกก็เลยตัดสินใจอยู่กับมันไปดีกว่าไหนๆมันจะทุกข์แล้วอย่างน้อยอยู่กับมัน มันก็ยังมีความสุขบ้างมีความสุขตอนที่เราสามารถได้ความสุขจากเขาถึงแม้ว่าต่อไปในอนาคตอาจจะไม่ได้แต่อย่างน้อยตอนนี้เราก็ยังพอหาความสุขไปได้ถึงแม้จะต้องเจอความทุกข์เจอความไม่สบายใจ เป็นบางครั้งปั่นบางเวลาเราก็ยอมทนทุกข์กันยอมทนไม่สบายใจกันนี่แหละทำไมพวกเราจึงมีความไม่สบายใจกันอยู่เรื่อยๆ <c oughs> ก็เพราะเรายอมทนอยู่กับมันนั่นเองเพราะเราไม่มีกำลังพอที่จะถอนตัวเราออกจากสิ่งต่างๆ ที่ให้ความไม่สบายใจกับเราเพราะเราติดเขาเรายังต้องมีเขาพรเวลาที่เราถอนออกจากเขานี้มันทุกข์มากกว่าตอนที่อยู่กับเขาเราก็เลยต้องอยู่กับเขาต่อไปต้องอาศัยเขาต้องมีเขามาให้ความสุขกับเรา ถึงแม้ว่าบางทีบางเวลาเขาอาจจะให้ความทุกข์กับเราเราก็ต้องทนไปเพราะเราเหมือนกับไม่มีทางเลือกนั่นเองที่เราไม่มีทางเลือกเพราะเราไม่ได้เจอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั่นเองถ้าเราได้มาพบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราจะได้ทางเลือกใหม่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จะบอกเราว่า เราไม่ต้องอาศัยเขาเราก็มีความสุขได้ก็เราสามารถหาความสุขแบบอีกแบบหนึ่งได้หาความสุขไม่ต้องหาความสุขจากคนนั่นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้เราสามารถหาความสุขในตัวของเราได้พระพุทธเจ้าพระอริยสงสาวกเป็นผู้สามารถหาความสุขในตัวของเราได้ และเป็นความสุขที่ดีกว่าความสุขที่เราจะได้จากคนนั้นคนนี้จากสิ่งนั้นสิ่งนี้ว่าเป็นความสุขที่บริสุทธิ์เป็นความสุขที่ไม่มีความทุกข์ไม่มีความไม่สบายใจความกังวลใจต่างๆตามมานั่นเองจึงเรียกว่าเป็นความสุขที่บริสุทธิ์ความสุขที่พวกเราหากันนี้เป็นความสุขที่ไม่บริสุทธิ์ เป็นความสุขที่มีความไม่สบายใจตามมาอยู่เรื่อยๆการแก้ปัญหาของความไม่สบายใจของพวกเรานั่นถ้าแก้แบบเรานี่แก้อย่างไรก็ไม่มีวันหมดเพราะเราก็แก้ด้วยการหาสิ่งอื่นมาทดแทนสิ่งอื่นที่เราหามาทดแทนมันก็เป็นเหมือนสิ่งที่ให้ความไม่สบายใจใจกับเรานั่นแหละ นไม่สบายใจกับคนนี้เราก็เปลี่ยนไปมีอีกคนหนึ่งเดี๋ยวอีกคนหนึ่งมันก็มาให้ความไม่สบายใจกับเราใหม่นั่นแหละอยู่กับคนนี้แล้วตอนต้นก็มีความสุขพออยู่ไปอยู่มาเอากลายเป็นมีความไม่สบายใจกันแล้วถ้าอย่างนั้นก็เปลี่ยนเปลี่ยนอีกคนหนึ่งเปลี่ยนเปลี่ยนคนใหม่ใหม่ใหม่ก็ให้ความสุขกัน เดี๋ยวไม่นานก็มาให้ความไม่สบายใจกับกันอีกแล้วแล้วเดี๋ยวก็ต้องเลิกกันไปอย่ากันไปดูดาราภาพยนต์ฮอลลีวูดเปลี่ยนคนนั้นเปลี่ยนคนนี้เป็นเกือบสิบกว่าคนก็มีบางคนเปลี่ยนไปเรื่อยๆเพราะว่าเมื่ออยู่กับคนนี้แล้วไม่มีความสุขก็ต้องเปลี่ยนแก้ปัญหาด้วยการหาคนใหม่มาทดแทนคนเก่า คนใหม่มันก็เหมือนคนเก่านลครัมันก็เป็นเหมือนยาขมเคลือบน้ําตาลเวลาได้เม็ดใหม่มาอมมันก็หวานอมไปสักระยะหนึ่งเดี๋ยวลดหวานมันก็จางหายไปพอลดหวานจางหายไปลสขมมันก็โผล่ขึ้นมาพอโผล่ขึ้นมาก็บ้วนทิ้งไปแล้วก็หยิบเม็ดใหม่ขึ้นมาอมใหม่ เรจะไม่มียาอมมันก็รู้สึกจืดๆชืด ๆ, ๆต้องมีอะไรหวานๆให้อมเนี่ยนี่คือความสุขของพวกเราเป็นความสุขแบบเคลือบยาขมเครือบน้ําตาลความทุกข์เครือบความสุขเวลาได้อะไรมาใหม่ๆก็ให้ความสุขกับเราพอระยะเวลาผ่านไปความสุขนั้นก็จะค่อยจางหายไป แล้วเดี๋ยวความไม่สบายใจก็ตามมานี่แหละคือวิธีที่พวกเราแก้ปัญหากันความไม่สบายใจมันจึงไม่มีวันหมดไปสักทีเพราะเราไปเอาสิ่งที่ทำให้เราไม่สบายใจมาแก้กันนั่นเองเปลี่ยนจากอันนี้ไปอันนั้นพออันนั้นพอเปลี่ยนเวลาเปลี่ยนใหม่ๆก็มีแต่ความสุข พออยู่ไปอยู่ไปความสุขค่อยจางไปความไม่สบายใจก็โผล่ขึ้นมาแทนพอมันทนไม่ไหวก็เปลี่ยนมันใหมอ่อีกมันก็เปลี่ยนอันแบบเดียวกันอกีกเนเราไม่ได้เปลี่ยนแบบที่มันไม่มีความไม่สบายใจตามมาเพราะเราไม่รู้ว่ามีความสุขแบบนั้นอยู่ในตัวของเราเองเนี่ยเราโง่ขนาดนั้น่ะ เรายังไม่รู้ว่าเรามีความสุขที่บริสุทธิ์อยู่ในตัวของเราเองความสุขที่ไม่มีความไม่สบายใจตามมาเราต้องมีคนฉลาดอย่างพระพุทธเจ้าเท่านั้นนะที่จะมาสอนมาบอกพวกเราแม้แต่พระ อ, อริยสงสาวกท่านก็ถ้าไม่ได้เจอพระพุทธเจ้า ท่านก็จะไม่ได้เป็นพระไอเดียส่งสาวกท่านก็จะไม่รู้เพราะท่านก็เป็นเหมือนพวกเราท่านก็ไม่รู้ว่าเรามีความสุขอที่บริสุทธิ์อยู่ในตัวของพวกเราเป็นความสุขที่จะทําให้เรานี้หมดปัญหากับความไม่สบายใจต่างๆได้ต้องรอให้มีคนฉลาดอย่างพระพุทธเจ้ามาค้นพบความสุขกันนี้ เนี่ยการตัดสู้ของพระพุทธเจ้าถ้าอยากจะมีใครถามว่าพระพุทธเจ้าตัดรู้อะไรรู้อะไรก็รู้ว่าเรามีความสุขที่เลิศที่วิเศษอยู่ในตัวเรานี่เองแต่พวกเรากลับไม่รู้กันเราก็เลยออกไปหาความสุขที่มีแต่ความไม่สบายใจติดมาด้วยนั่นเองเราจึงต้องอยู่ต้องเจอกับความไม่สบายใจกันมาอยู่เรื่อย แต่พอมีคนฉลาดอย่างพระพุทธเจ้ามาค้นพบความสุขที่มีอยู่ในตัวของพวกเรานี้่ยพวกเราถ้าเราได้พบกับพระพุทธเจ้าเราก็จะได้เรียนรู้เพราะพระพุทธเจ้านี้ท่านไม่ต้องการทําอะไรให้กับพวกเราท่านต้องการสอนพวกเราเท่านั้นเองต้องการบอกพวกเรา ให้รู้ว่าเรามีความสุขที่ไม่มีปัญหา อ, อยู่ในตัวของพวกเราขอให้เราพวกเราหยุดไปหาความสุขที่มีปัญหากันเถิดแล้วหันกลับมาหาความสุขแบบไม่มีปัญหากันดีกว่าความสุขที่ไม่ได้ทำให้เราไม่สบายใจกัน อ, อันนี้ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาค้นพบความจริงอันนี้ ก็จะไม่มีใครรู้ก็จะเป็นแบบที่พวกเราเป็นกันอยู่ในปัจจุบันนี้ก็จะออกไปหาความสุขจากคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วก็ต้องมามีความไม่สบายใจมีความกังวลใจกับสิ่งที่เราหามาได้กันแต่ถ้าเราได้มาพบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ เราจะได้เรียนรู้ความจริงที่พระพุทธเจ้าได้ส่งค้นพบว่าความสุขที่แท้จริงความสุขที่ไม่มีความกังวลความไม่สบายใจต่างๆนั้นมีอยู่ที่เดียวเท่านั้นคือมอีในตัวของเราเองอยู่ในใจของเราเองขอให้พวกเราหันมาหาความสุขแบบนี้กันเถิด เราต้องเลิกหาวิความสุขแบบเก่าเพราะว่าความสุขแบบเก่ามันจะต้องให้ความไม่สบายใจ ก, ยกับเราเสมอเราต้องหันกลับมาหาความสุขแบบใหม่กันหาความสุขที่มีอยู่ภายในตัวของเราคือภายในใจของเราเนี่เองโดยการเรียนรู้วิธีที่จะทำให้เรา เข้าถึงความสุขันนี้พอเราเข้าถึงความสุขอ น, นี้เราก็จะสามารถสอนใจให้เราเลิกหาความสุขแบบเก่าได้แล้วต่อไปเราก็จะไม่ต้องไปมีความไม่สบายใจกับสิ่งต่างๆกับบุคคลต่างๆเพราะเรา ไม่ไปหาเขามาให้ความสุขกับเราแล้วเราสามารถมีความสุขภายในใจภายในตัวของเราได้ตลอดเวลานี่แหละคือการแก้ปัญหาความไม่สบายใจต่างๆของพวกเราเราต้องมาแก้ด้วยการศึกษาคำสั่งคำสอนของพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์ ท่านทั้งสามท่านนี้เป็นแหล่งข้อมูลที่ถูกต้องเป็นแหล่งข้อมูลที่จะบอกวิธีสร้างความสุขแบบใหม่ให้กับเราพอเราได้ศึกษาแล้วเราก็ต้องนำเอาไปปฏิบัติถ้าเราไม่นำเอาไปปฏิบัติเรายังไม่สามารถที่จะผลิตความสุขแบบใหม่ ให้ปรากฏขึ้นมาในใจของเราได้แต่ถ้าเราไม่ศึกษาแล้วเราไปปฏิบัติเองเราก็จะปฏิบัติไม่ถูกอยู่ดีปฏิบัติแล้วก็จะไม่ได้ผลที่เราต้องการกันจะไม่ได้ความสุขที่ถูกต้องเรามีตัวอย่างของผู้ที่ไม่ศึกษาจากพระพุทธธรรมประสงค์ แล้วก็ไปศึกษาค้นหาวิธีหาความสุขในตัวของตนเองก็จะไม่สามารถหาได้แบบครบร้อยเช่นศ า, ศาสดาของศาสนาต่างๆก็สอนวิธีคล้ายคึงกับวิธีของพระพุทธเจ้าแต่ไม่ครบไม่สมบูรณ์แบบวิธีของพระพุทธเจ้า ก็สามารถหาความสุขภายในตนเองได้เป็นแบบชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นแต่ไม่สามารถหาความสุขแบบถาวรได้เพราะไม่เข้าหาพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์นั่นเองหาด้วยความฉลาดของตนเองแต่ความฉลาดของตนเองนี้ไม่ได้อยู่ในระดับของพระพุทธเจ้า จึงไม่สามารถหาความสุขที่เป็นแบบถาวรได้หาได้เป็นแบบชั่วคราวความสุขในใจของพวกเราเนี่ยมันมีอยู่สองระดับด้วยกันระดับชั่วคราวกับระดับถาวรบรตราศาสดาของศาสนาต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้สามารถเข้าถึงความสุขระดับชั่วคราวได้แต่ ไม่สามารถเข้าสู่ความสุขระดับถาวรได้มีพระพุทธเจ้าเพียงพระ อ, องค์เดียวเท่านั้นที่สามารถที่จะเข้าสู่ความสุขที่เป็นระดับถาวรได้ <Yeah. S 1> เพราะว่าพระพุทธเจ้านี้มีความปาถนาที่สูงมีความสามารถมีปัญญาที่สามารถ ตอบสนองความปรารถนาที่สูงของพระองค์ได้ตอนที่พระองค์เริ่มต้นแสวงหาความสุขภายในใจพระองค์ก็ไปศึกษากับบรรดาครูบาอาจารย์ต่างๆที่รู้จักวิธีสร้างความสุขภายในใจแตบรรดาครูบาอาจารย์ต่างๆก็รู้เพียงแต่วิธีหาความสุขแบบชั่วคราวเท่านั้นที่มีอยู่สองระดับระดับ รูปปัจจานกับระดับอรูปประชานเป็นความสุขที่มีความมากน้อยต่างกันไปตามความสามารถของผู้ปฏิบัติที่จะเข้าถึงได้แต่ก็ยังเป็นความสุขแบบชั่วคราวอยู่ไม่ว่าจะเป็นความสุขจากรูปประชานหรืออรูปประชานเมื่อเข้าเมื่อได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้อง เดี๋ยวก็ต้องเสียไปเพราะไม่สามารถบังคับใจให้อยู่ในรูปประชานหรืออยู่ในอรูปประชานได้ตลอดเวลาเพราะไม่ช้าก็เร็วก็ต้องออกมาออกมาเกี่ยวข้องกับร่างกายต้องมาดูแลร่างกายจึงไม่มีใครสามารถที่จะมีความสุขใจแบบถาวรได้ เมื่อพระพุทธเจ้าพยายามที่พยายามศึกษาจากคุูบาอาจารย์ต่างๆก็ได้เพียงแต่ระดับรูปประชาน์กับอรูปประชาน์พระองค์ก็เลยต้องไปศึกษาค้นคว้าหา ด, ด้วยตนเองว่าความสุขแบบถาวรมีไหมความสุขภายในใจถ้ามีทำอย่างไรถึงจะได้มันมา หลังจากที่ได้สรงไปศึกษาค้นคว้าด้วยพระองค์เองในที่สุดพระองค์ก็ส่งค้นพบวิธีที่จะให้ความสุขที่เป็นความสุขชั่วคราวนี้กลายเป็นความสุขที่ถาวรได้เพราะพระองค์ได้ส่งค้นพบต้นเหตุของตัวที่มาทำให้ความสุขในฌานนั้นหายไป เวลาออกจากฌานมาความสุขที่ได้จากฌานมันก็จะจางหายไปสงคนพบว่าที่มันจางหายไปก็เพราะความอยากต่างๆที่มีอยู่ในจานนั่นเองที่มันโผล่ขึ้นมาเวลาที่อยู่ในฌานกําลังของฌานนี้จะกดความอยากต่างๆไว้ไม่ให้ออกมาทํางาน ใจก็เลยมีความสงบมีความสุขแต่พอออกจากฌานมาํำลังของฌานก็จะเสื่อมลงไปพอกำลังของฌานเสื่อมลงไปความอยากต่างๆที่ถูกฌานกดเอาไว้ก็จะโผล่ขึ้นมาแล้วก็มาสร้างความไม่สบายใจต่างๆต่อขึ้นมาใหม่อันนี้ไม่มีใครรู้ มีพระพุทธเจ้าที่ส่งคนพบว่าความสงบของใจนี้จะถูกทำลายด้วยความอยากต่างๆนั่นเองความอยากที่สรงพิจารณาเห็นก็มีสามอย่างด้วยกันความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสคือในกามกุณหปป ะ, ะความอยากในรูปประชานและความอยากในอรูปประชานคือความอยากได้ อยากได้ความสงบจากรูปฌปานความอยากนี้มันก็จะทำให้ความสุขที่ได้จากรูปฌานหายไปเพราะรูปฌานไม่ได้เกิดจากความอยากได้รูปฌานความอยากได้รูปฌานเกิดจากการมีสติควบคุมใจให้สงบให้ระ ง, งับความอยากต่างๆ ตอนที่เราจเจริญสติเช่นพุทโธพุทโธเราก็ระ ง, งับความอยากต่างๆระ ง, งับความอยากเสบรูปเสียงกลิ่นนสนั่ ง, งับความอยากได้รูปปัจจานระ ง, งับความอยากได้อารูปปัจจานพอเราระ ง, งับความอยากเหล่านี้ได้ความสงบก็ปรากฏขึ้นมาแต่พอเราออกจากรูปออกจากฌานมา เดี๋ยวความอยากเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรดก็มายัพอออกมาจากสมาธิแป๊บเดี๋ยวเปี้ยวปากนะเดี๋ยวอยากจะดื่มกาแฟอยากจะกินขนมอยากจะดูอยากจะฟังขึ้นมานะพอเกิดความอยากเหล่านี้ขึ้นมาความสุขที่ได้จากความสงบก็หายไปไแล้วความอยากให้จิตสงบเหมือนอยู่ตอนที่อยู่ในรูปฌปานมันก็ไม่สงบแล้ว เลยอยากให้จิตสงบเหมือนตอนที่อยู่ในรูปฌปานพราะเกิดความอยากขึ้นมาความสงบของรูปฌปานหรือรูปฌานก็จะาหายไปอันนี้ไม่มีใครรู้มีพระพุทธเจ้าที่เป็นผู้ที่ฉลาดที่สามารถมองเห็นไอ้สามตัวนี้ได้คือกามตัณหาภาวะตัณหาและวิภวะตัณหานี้ได้นะ พอเห็นปั๊บนี่ก็มาแก้ไอ้ที่ตัวนี้ทันทีแล้ววิธีที่จะแก้ไอ้สามตัวนี้ก็ต้องเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่เราอยากได้มันเป็นใจลับนะมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตารูปเสียงกลิ่นรสมันเป็นอนิจจังเดี๋ยวพอมันเป็นอนิจจังมันก็จะทำให้เราทุกข์เพราะมันเปลี่ยนไปจากสุข ความสุขหายไปความทุกข์มันก็จะเข้ามามันเป็นอนิจตาเราไปห้ามมันไม่ได้ห้ามมันให้มันเปลี่ยนไม่ได้ถึงแม้เราอยากจะให้มันให้ความสุขกับเราเพียงอย่างเดียวแต่เราก็ห้ามมันไม่ได้แต่ความอยากของเราอยากจะมาเปลี่ยนมันอยากจะให้มันเป็นแต่สุขอย่างเดียวมันก็เลยทําให้ใจเราไม่สบายะ พอเราเห็นด้วยปัญญาว่ามันเป็นไตหลักไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสหรือความสุขจากรูป hood. ประชานหรือความสุขจากอรูปประชานมันก็เป็นไตหลักทั้งนั้นถ้าเราไม่อยากจะทุกข์กับมันไม่อยากจะไม่สบายใจกับมันเราก็อย่าไปอยากได้มันมาอย่าไปอยากเสพมันอย่าไปอยากเสพรูปเสียงกลิ่นรส อย่าไปอยากเสบรูปประจานหรืออารูปประจานพรพอเราละ ง, งับความอยากเหล่านี้ได้ความสงบที่ถูกความอยากเหล่านี้ทาลายไปก็จะกลับคืนมาใหม่แล้วมันก็จะสงบไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีความอยากใหม่ปรากฏขึ้นมาแล้วถ้ามันปรากฏขึ้นมาถ้าเรามีความฉลาดรู้ทันเราก็หยุดความอยากนั้นทุกครั้งไป พอเราหยุดความอยากที่มาทำลายความไม่สงบของใจได้ทุกครั้งไปต่อไปความอยากเ่านั้นก็จะไม่กลับคืนมาอีกต่อไปพอไม่มีความอยากมาทำลายความสุขที่ได้จากความสงบแล้วความสุขที่เกิดจากความสงบมันก็จะสงบตลอดเวลาโดยที่ไม่ต้องเข้าไปในสมาธิไม่ต้องเข้าไปในฌานอยู่ที่ไหน ก็สงบตลอดเวลาเพราะตัวที่มาทำให้ใจไม่สงบทำให้ใจวุ่นวายก็คือความอยากทั้งสามตัวนี้ความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผลประความอยากความอยากอันนี้เป็นความอยากที่ที่เป็นของระดับของผู้คองเรือนของผู้ที่เสพกาม หรือผู้ที่มีครอบครัวผู้ที่ยังหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสอยู่ส่วนความอยากในรูปประชานกับอรูปประชานนี้เป็นน้ำความอยากของระดับนักบวชของผู้ที่ได้รูปประชานและได้อรูปประชานพอได้แล้วก็อยากจะให้มันสงบไปเรื่อยๆให้สงบหลังจากที่ออกจากฌานมาแล้ว แต่พอเกิดความอยากให้มันสงบแทนที่มันจะสงบมันเลยไม่สงบนี่คือเรื่องของการตัดสรุ้ของพระพุทธเจ้ารู้ได้ด้วยตนเองจึงเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าคือผู้ที่สิ้นความอยาก คำว่าอารหันต์นี่คือผู้สิ้นกิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงความอยากสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ค้นพบวิธีนี้ได้ด้วยตนเองพุทธะก็คือผู้รู้ผู้ค้นพบความสุขที่ถาวรได้ด้วยตนเองเราจึงเรียกท่านว่าเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าอันนี้แหละ เป็นบุคคลแรกที่ได้ค้นพบความสุขที่วิเศษที่มีอยู่ในตัวของมุวกเราทุกคนพวกเราไม่รู้หรอกว่าเรามีสมบัติอันล้ำค่าอยู่ในตัวของเราที่จะผลิตความสุขให้กับเราไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดแทนที่เราจะเข้ามาหาความสุขอันนี้กันเรากลับถูกความหลงความไม่รู้ของพวกเราความไม่ฉลาดของพวกเรา ไปหาความสุขที่มีความไม่สบายใจตามมานั่นเองนะครับชีวิตของพวกเราจึงมีความสุขกับความไม่สบายใจนี้สลับกันไปอยู่เรื่อยๆสามวันดีสี่วันข้อยวันไหนมีความสุขก็ลอดตัวไปพอวันไหนมีความไม่สบายใจก็ปวดหัววุ่นวายใจแล้วเดี๋ยวพอ พอแก้ได้ก็หายไปชั่วคราวเดี๋ยวมันก็กลับมาใหม่เนมันความไม่สบายใจของพวกเรามันจึงมีกลับมาเรามาตั้งแต่วันเกิดและมันจะมีกลับเราไปจนถึงวันตายเพราะว่าเราไม่รู้จักวิธีที่แก้ที่ถูกต้องนั่นเองเราแก้ด้วยการเปลี่ยนความ สิ่งหนึ่งที่มันให้ความทุกข์กับเราไปเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ให้ความสุขกับเราแต่สิ่งที่เราเปลี่ยนเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนมันให้ความทุกข์กับเราอีกเราก็เลยต้องเปลี่ยนกันอยู่เรื่อยๆข้าวของเงินทองต่างๆที่เราใช้กันอยู่นี่เราเปลี่ยนกันมาตลอดเวลาพออันไหนมันให้ความทุกข์กับเราเราก็ทิ้งมันไปหาอันใหม่หาอันที่ให้ความสุขกับเราพอมัน ให้ความทุกข์กับเรามันเราก็ทิ่งมันไปหรือแยกตัวจากมันไปแล้วเราก็ไปหาอันใหม่เดี๋ยวก็มันก็เป็นเหมือนอันเก่าถ้าเราแก้ปัญหาความไม่สบายใจของเราแบบนี้เราก็จะต้องแก้ไปจนวันตายแล้วไม่ใช่แต่เฉพาะจนวันตายเท่านั้นเพราะเราปัญหานี้มันมันเพราะว่าเราจะไปหาปัญหาแบบนี้ใหม่อีก เพราะเรายังอยากจะแก้แบบนี้อีกเรายังอยากจะหาสิ่งใหม่มาแก้อีกเช่นเวลาร่างกายต้องตายเราก็เปลี่ยนร่างกายอันใหม่ร่างกาย น, นี้ไม่สามารถหาความสุขให้กับเราได้เราก็ไปหาร่างกายอันใหม่ไปเกิดมาอีก พอเกิดมาแล้วก็มาหาความสุขแบบเก่าอีกหาความสุขจากสิ่งนั้นสิ่งนี้จากคนนั้นคนนี้แล้วก็ต้องมาเจอความทุกข์อีกเพราะคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้เขาไม่แน่อนอนเขามีการเปลี่ยนแปลงไปนั้นเองเดี๋ยวเขาแทนที่จะให้ความสุขกับเราเขาให้ความทุกข์กับเรา เป็นคนเวลาพบกันใหม่ๆนี่พูดหวานจ้อยเลยหวานเจี๊ยบเลยฟังแล้วชื่นหูชื่นใจแต่พออยู่ด้วยกันแล้วเดี๋ยวคำหวานหวานไม่รู้หายไปไหนหมดมีแต่คำด่ามีแต่คำเสียดสีทิ่มแทงจิตใจโผล่ออกมาพ อ, อ, อได้ยินเสียงหนัน้นไปบ่อยๆเขาก็เบื่ อ, อทนไม่ไหว ก็เด๋ยวก็ต้องเปลี่ยนกันเปลี่ยนใหม่หาเสียงมันหวานใหม่เสียงที่มันขมนี่ก็ไม่เอาแล้วลมันก็จะแก้ปัญหาอย่างนี้ไปเรื่อยๆทุกพพทุกชาตนะิเพราะว่าเราไม่ได้มาแก้ที่ต้นเหตุของปัญหาต้นเปรตของปัญหาก็คือความไม่รู้ความไม่ฉลาดของพวกเรา ที่หลอกให้เราไปหาความสุขจากสิ่งต่างๆภายนอกนั่นเองเราต้องมาแก้ด้วยการมาพบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถ้าเรามาเกิดในยุคที่ไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราก็จะแก้ไม่ได้และนานๆจะมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาเกิดในโลกนี้สักครั้งหนึ่งถ้ายุคไหนที่เรามาเกิดแล้วได้มาเจอกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้ ก็เหมือนกับเราได้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเพราะมันไม่ใช่เป็นของง่ายที่จะมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ปรากฏขึ้นมาอยู่ในโลกนี้ไปนานๆจะเกิดขึ้นสักครั้งหนึ่งถ้าใช้สถิติเปรียบเทียบระหว่างการถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งกับการได้มาเกิดมาเจอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ สติติของการได้มาพบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้จะยากยิ่งกว่าสติติของการมาถูกวัตเตอรี่กางวันที่หนึ่งอย่างนั้นการที่เราได้มาพบกับพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์ในชาตินี้จึงถือว่าเราโชคดีมากได้ลาบอันประเสริฐได้ลาบอันมหาสารเพราะลางวัลที่เราจะได้รับจากการถูก ลอตเตรี่ของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่มันมีคุณค่าราคามากยิ่งกว่ารา ง, งวัลที่หนึ่งให้กับเรารางวัลที่หนึ่งให้ความสุขเราดับแบบตุ่มน้ำเล็กๆเท่านั้นเองแต่รางวัลที่หนึ่งของพระพุทธศาสนานี่ให้ความสุขระดับสระน้ำดูถึงปริมาณของน้ำที่เราบรรจุในตุ่มน้ำกับน้ำที่เราบรรจุในสระน้ำนี่ อันไหนจะมากกว่ากันอันนั่นแหละคือคุณค่าอันมหาศาลของการที่เราได้มาเกิดในยุคที่มีพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์ไม่จะเป็นจะต้องมีทั้งสามพระองค์ก็ให้เราได้พบกับองค์ใดองค์หนึ่งก็ถือว่าได้พบทั้งสามพระองค์เพราะทั้งสามองค์นี้จะทำหน้าที่เหมือนกัน พระพุทธเจ้าก็จะบอกวิธีให้เราหาความสุขในตัวของเราพระธรรมคาสอนที่ได้มีการบันทึกคําสอนต่างๆของพระพุทธเจ้าก็จะสอนเหมือนกันสอนให้เราเข้ามาหาความสุขในตัวเราพระอริยสงสาวกทั้งหลายที่เราได้พบท่านก็จะสอนเราแบบเดียวกันสอนให้เราเข้ามาหาความสุขในตัวเรา ให้เราเลิกหาความสุขจากสิ่งภายนอกไม่ว่าจะเป็นข้าวของเงินทองเรียกว่าลาบไม่ว่าจะเป็นตําแหน่งยศตําแหน่งต่างๆเรียกว่ายศไม่ว่าความสรรเสริญเยินยอหรือรางวี่รางวัลต่างๆเช่นเหรียญทองโอลิมปิกไม่ให้และไม่ให้หาความสุขจากลาบยศสรรนิจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆ เาะความสุขเหล่านี้มันเป็นความสุขที่มีความไม่สบายใจตามมานั่นเองให้มาหาความสุขภายในใจของพวกเรากันอันนี้ไม่ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมคำสัง่งคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ดีพาอาลยสงสาวกต่างๆก็จะสอนอย่างเดียวกันสอนให้พวกเราหันก็มาหาความสุขภายในใจกันดีกว่า ท่านก็สอนอยู่สองระดับด้วยกันระดับของผู้คลองเรือนกับระดับของนักบวชระดับผู้คลองเรือนท่านก็สอนระดับแรกให้ใช้เงินทองไปในทางที่ถูกอย่าอย่าเอาเงินทองไปซื้อความสุขจากสิ่งภายนอกให้เอาเงินทองมาซื้อความสุขภายใน เพราะว่าความสุขภายในนี้เป็นความสุขที่ไม่มีความไม่สบายใจตามมานั่นเองก็คือถ้าเราอยาเอาเงินไปซื้อความสุขภายนอกเช่นไปซื้อกระเป๋าซื้อลองเท้าซื้อสิ่งที่ไม่จำเป็นต่างๆหรือไปซื้อของฟุ่มเฟือยของหรูหราต่างๆหรือซื้อความสุขจากการไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ให้เอาเงินที่เราจะไปซื้อความสุขภายนอกนี้ให้มาซื้อความสุขภายในดีกว่าการซื้อความสุขภายในซื้ออย่างไรก็ซื้อด้วยการทำบุญทำทานนี่เองเอาเงินที่เราจะไปซื้อกระเป๋ารองเท้ า, เามาทำบุญทําทานดีกว่าแล้วเราจะได้ความสุขภายในใจบุญก็คือความสุขใจนี่เองให้เรามาซื้อบุญกันมาทำบุญกันด้วยเ ง, งินทอง ถ้าเรายังใช้เงินทองเป็นเครื่องมือหาความสุขให้เราเปลี่ยนหาความสุขจากความสุขภายนอกที่จะมีความไม่สบายใจตามมาให้กลับเข้ามาหาความสุขภายในใจที่ไม่มีความไม่สบายใจตามมาถ้าเราเอาเงินไปซื้อของต่างๆไปเที่ยวเวลาเงินหมดนี่ความไม่สบายใจจะตามมา เพราะความอยากเที่ยวอยากซื้อของต่างๆมันไม่ได้หมดไปกับเงินมันยังอยากเที่ยวอยากซื้ออยู่พอไม่มีเงินซื้อเงินเที่ยวมันก็จะเกิดความไม่สบายใจขึ้นมาแต่ถ้าเราเอาเงินมาทำบุญทำทานนี้เวลาเงินหมดไม่มีเงินทำบุญทาทานเราจะไม่รู้สึกไม่สบายใจไม่มีก็ไม่ทำเท่านั้นเองอันนี้คือความแตกต่างกันให้เราเปลี่ยนวิธี ใช้เงินทองถ้าเราเปลี่ยนใช้วิธีใช้เงินทองแล้วต่อไปเราก็จะไม่ได้ไม่อยากที่จะไปหาเงินทองมาใช้อีกแล้วเพราะว่าหามาแล้วก็ต้องเอามาทำบุญก็ไม่เอามาหาดีกว่าเพราะว่าเมื่อเราไม่มีความอยากที่จะใช้เงินทองไปในทางที่ผิดเราก็ไม่ต้องไปหาเงินทองมาก เพื่อเราที่จะได้เลิกหาเงินทองกันเลิกพึ่งเงินทองเป็นเครื่องมือหาความสุขกันถ้าเรามีเหลือเงินทองเหลือเราก็อไปทำบุญแต่ถ้าเราไม่มีเงินทองทำบุญเราก็ทำบุญด้วยวิธีอื่นได้ที่ดีกว่าก็คือวิธีรักษาศีลวิธีปฏิบัติธรรมนีเ่เราก็จะเปลี่ยนการหาความสุขแบบคารวะไป เป็นการหาความสุขแบบนักบวชได้หาความสุขจากการรักษาศีลจากการเจริญสมาธิจเจริญปัญญาแทนพอเราได้รักษาศีลเจริญสมาธิปัญญาได้เราก็อยากจะทำให้มากขึ้นมากขึ้น จากการเป็นคารวาต่อไปเราก็อยากจะไปเป็นนักบวชกันเพราะเราจะได้มีเวลาหาความสุขภายในใจที่พระพุทธเจ้าสอนให้หากันได้อย่างเต็มรอยนั่นเองเราก็จะไปเป็นนักบวชกันและอยู่แบบนักบวชกันแล้วเราก็จะได้มีเวลาหาความสุขจากการรักษาศีลหาความสุขจากการนั่งสมาธิหาความสุขกาการเจริญปัญญา พอเราได้ทำอย่างต่อเนื่องอย่างสม่าเสมอความสุขภายในใจที่ตอนต้นจะเป็นความสุขชั่วคราวก็จะเริ่มกลายเป็นความสุขที่ถาวรขึ้นไปตามลำดับตามอำนาจของการปฏิบัติของเราในการกําจัดความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจของเราให้หมดสิ้นไป พอเราสามารถกําจัดความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดสิ้นไปแล้วใจของเราก็จะสงบจะสุขไปตลอดเวลาจะเป็นเหมือนกับของพระพุทธเจ้าร้อยเปอร์เซนตเลยใจของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างไรใจของพวกเราก็จะเป็นอย่างนั้นใจของพระอริยสงฆ์สาวกเป็นอย่างไรใจของพวกเราก็จะเป็นอย่างนั้นเพราะวิธี ทำใจให้เป็นอย่างนั้นเป็นวิธีเดียวกันพระพุทธเจ้าก็ใช้การปฏิบัติศีลสมาธิปัญญามาทําใจของพระองค์ให้มีแต่ความสุขตลอดเวลาเป็นบรมมาสุขเนี่ยความสุขตลอดเวลานี้เราเรียกว่าบรมมาสุขภาษา voke พอได้ยินได้ฟังจากพระพุทธเจ้าก็นำอาไปปฏิบัติตามก็ได้ความสุขแบบบรมมาสุข พวกเราถ้าเราได้ยินได้ฟังแล้วแล้วเราเอาไปปฏิบัติตามต่อไปใจของเราก็จะเป็นใจที่เต็มไปด้วยบรมมาสุขนี่เป็นสิ่งที่ไม่เปลี่ยนไปตามการตามเวลาในสมัยพระพุทธการเป็นอย่างไรในสมัยปัจจุบันนี้ก็เป็นอย่างนั้นถ้ามีการใช้เหตุอันเดียวกันใช้เครื่องมืออันเดียวกัน ใช้ทานศีล ส, สมาธิปัญญาเหมือนกันผลที่จะทำให้ใจเป็นบรลมะมสก ข, ขึ้นมาก็จะเป็นผลเหมือนกันไม่ต้องกังวลอยู่ที่เหตุผลมันอยู่ที่เหตุไม่ได้อยู่ที่การเวลาเหตุกับผลไม่เปลี่ยนไปตามการตามเวลาเป็นอมตะเหตุและผลที่ทำให้ใจสะอาดบริสุทธิ์เป็นบรลมะโสกนี้ ไม่เปลี่ยนไปตามตามการตามเวลาผู้ใดที่ได้รู้จักเหตุแล้วนำเอาไปปฏิบัติได้ก็จะได้ผลอันเดียวกันต่อไปศาสนาของพวกเราก็จะหมดไปแล้วต่อไปก็จะมีคนฉลาดคนหนึ่งที่มาพบเหตุอันนี้แล้วก็จะมาทำจิตใจของเขาให้บริสุทธิ์ ให้มีบาร ม, มีสุขร้อยเปอร์เซนต์เหมือนกับของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนเราจึงมีพระพุทธเจ้ามาเกิดอยู่เรื่อยๆเพียงแต่ว่าระยะเวลามันห่างตันไกลเท่านั้นเองพวกที่ไม่พวกที่ต้องรอพระพุทธเจ้านี้ก็ต้องรอคิวไปยาวหน่อยพวกเรานี้ไม่ต้องรอคิวแล้วเรามาถึงหัวคิวแล้ว เราได้เจอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วอย่าไปปัดคิวอันนี้ทิ้งลรวบอกเดี๋ยวขอไปรอพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปก่อนตอนนี้ขออยู่กับลูกกับเมียไปก่อนขออยู่กับสามีภรรยาไปก่อนขออยู่กับทรัพย์สมบัติไปก่อนเพราะรักแล้วลหวงแล้วหวงยังก็ต้องรอคิวใหม่คิวใหม่ก็ไม่รู้อีกกี่แสนล้านปีอีกไม่รู้กี่แสนล้านชาติถึงจะได้มาเจอกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ชุดใหม่นะ ดังนั้นพวกเราถ้าฉลาดเราควรที่จะรีบเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์รีบศึกษาวิธีที่จะเราจะมาใช้แก้ปัญหาเพื่อมาสร้างความสุขที่ถาวรให้กับเรารีบทำเสียแต่บัด น, นี้ยังไม่สายไปแต่ถ้าไม่ทำก็อาจจะ ไม่ได้ทำไปเรื่อยๆเพราะมันจะติดเป็นนิสัยไปมันจะผัดวันประกันพรุ่งไปเรื่อยๆเอาไว้พรุ่งนี้ก่อนพอพรุ่งนี้ก็เหมือนกันก็ว่าไว้พรุ่งนี้ก่อนมันก็ผัดไปเรื่อยๆผัดไปเรื่อยๆแล้วมันก็เจอวันตายเข้าพอเจอวันตายที่มันผัดไม่ได้แล้วนี่มันก็จะเสียใจร้องห่มร้องไห้เพียงอย่างเดียวตอนนั้นก็สายเกินไปเสียแล้วนั้นอย่าปล่อยเวลามีค่าให้ผ่านไป รีบศึกษารีบปฏิบัติกันเถิดแล้วผลจะได้รับอย่างแน่นอนไม่มีอะไรมาห้ามเราได้เพศก็ห้ามเราไม่ได้เป็นหญิงเป็นชายก็ห้ามเราไม่ได้เป็นนักบวชติดคารวะก็ห้ามเราไม่ได้ไม่ได้อยู่ที่เพศอยู่ที่ไหวอยู่ที่ว่าจะปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติเท่านั้นเองจะศึกษาหรือไม่ศึกษาเท่านั้นเองดังนั้น ถ, law, ถ้าอยากจะได้ผลก็ขอให้รีบศึกษารีบปฏิบัติกันเถิด แล้วผลจะเกิดขึ้นไม่เจ็ดวันก็เจ็ดเดือนไม่เจ็ดเดือนก็เจ็ดปีอย่างแน่นอนเพราะนี่คือคำรับประกันของพระพุทธเจ้าด้วยพระองค์เองก็ <_ c oughs> คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร ยะถาวาเลวะหาปุราปริลปุเรนติสากหลังเอวเมวะอิโตทินางเปตานังอุปปักปติอิช an ิตังปฏชิตังต um ุมังคิปเมวะสมิจโตสัพเปปุเรนตุสังกปา จันโทปนะราโสยถามณีจดีราโสยถาสัพิติโยวิวาจจันโตสัพปรโควินาสตุมัเตภวะโตวันตรายโยสุขิทีขายุโกภวะอภิวาตนาสีริสนิจังวุฒาปจายินอ จัตตารอธรมมวะทานติอายุวันโนสุขังพาลางังลำดับต่อไปนี้เป็นช่วงถามตอบคำถามใครอยากจะถามอะไรก็เชิญถามได้ในช่วงนี้ถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามา วันนี้ก็มาเท่าไหร่ทางเฟ c e b o o สองร้อยดสิบหกคนครับ y o u ู u สองร้อยห้าสิบสามคนครับพิทยอาออนไลน์ยี่สิบสี่คนครับผู้รับฟังบนเขาร้อยห้าสิบคนครับรวมทั้งหมดเจ็ดร้อยสามคนครับ ถ, ถ้าใครอยากจะถามก็ยกมือขึ้นมาจะส่ง มีคำถามจากทาง YouTube นะคะจากคุณกิ่งแก้วกับนรมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะเรียนถามว่านั่งสมาธิไปสักพักจิตนิ่งรู้สึกที่ท้องว่าท้องยุบแล้วก็แล้วก็เกิดภาพปรากฏเฉพาะตรงหน้ามีความรู้สึกว่ามีความสุขสงบเหลือเกินแล้วความสุขนี้ก็แผ่ออกไปกว้างไกลใช่สมาธิหรือไม่เจ้าคะ ถ้าเป็นความสุขก็ใช่แต่มันไม่แผ่ถ้าแผ่นี่แสดงว่าจิตเราปรุงแต่งไปแล้วให้มันสงบอยู่ภายในของเราถ้าแผ่ออไปเดี๋ยวจิตมันจะมันจะออกไปข้างนอกมันจะออกไปหาเรื่องราวต่างๆต้องหยุดมันต้องให้มันกลับมาอยู่ที่ข้างในให้มันมีความสุขสงบอยู่ภายในใจ ถ้ามันพายก็ใช้สติดึงกลับมาพุทโธหรือลมหายใจดึงกลับมาให้มันนิ่งสงบต่อไปอย่าให้มันแผ่ขยา ย, อ, ยาออกไปคำถามจากคุณแคทค่ะกราบนรสการพระอาจารย์เจ้าค่ะขอโอกาสกราบเรียนถาม ความกลัวมันจะอยู่กับเราตลอดไปหรือไม่คะหนูนั่งสมาธิพิจารณาร่างกายทีไรเห็นแต่อสุภะจนไม่กล้านั่งสมาธิเลยกลัวและเบื่อหน่ายต่อลูกทุกครั้งเลยเจ้าคะ่ะเพราะเวลานั่งหนูไม่มีสติควบคุมใจนั่นเองเวลานั่งต้องมีอะไรควบคุมใจใจถึงจะไม่ผลิตอะไรต่างๆขึ้นมาหลอกเรานั่งต้องดูลมไปหรือพุโทโธไป อย่านั่งเฉยๆเวลานั่งแล้วถ้ามันมีอะไรโผล่ขึ้นมาก็อย่าไปสนใจมีภาพอะไรโผล่ขึ้นมาก็ให้อยู่กับพุทโธพุทโธไปหรืออยู่กับลมหายใจไปภาพต่างๆมันอาจจะเป็นนิสัยของเราที่ชอบผลิตมันขึ้นมาเราไม่ต้องไปกลัวมันหรอกมันเป็นเหมือนภาพยนตร์ดีๆนี่มันไม่สามารถทาอะไรใจเราได้ มันเพียงแต่ทำให้ใจเราไม่สบายเพราะใจเราไม่ชอบภาพเหล่านั้นแต่เราอย่าไปสนใจมันให้อยู่กับพุทธโธพุทธโธไปหรือถ้าดูลมก็ให้ดูลมไปเดี๋ยวภาพต่างๆที่ใจผลิตขึ้นมามันก็จะจางหายไปคะคำถามจากคุณป๋อมแปมค่ะพระอาจารย์เจ้าคะ เพื่อนเพื่อนมีเจ้านี้มาทวงมาทวงตามเขาอยากให้เราช่วยโกหกว่าไม่ทราบที่อยู่ให้หน่อยไม่งั้นเขาจะเดือดร้อนโกหกแบบนี้เป็นการผิดศีลหรือไม่เจ้าคะเพจเนี่ยอย่าไปโกหกเดือดร้อนเขาเป็นคนสร้างความเดือดร้อนขึ้นมาเขาเองแล้วเขาจะมาให้เราสร้างความเดือดร้อนให้กับเราเพราะเราโกหกแล้วเราก็ถูกจับโกหกล้วก็เดือดร้อนขึ้นมาอีก อันนี้แสดงว่าเขาไม่ไปเป็นมิตรกับเราแล้วอย่าไปเสียดายมิตรแบบนี้เพื่อนแบบนี้เพราะเป็นเพื่อนที่หวังร้ายไม่ใช่เป็นเพื่อนที่หวังดีเพื่อนที่จะเอาตัวเขารอดแล้วเขาก็โยนแพะโยนบาปใส่เราฉะนั้เราอย่าไปเสียดายเพื่อนแบบนี้แต่เราอาจจะไม่ต้องพูดอะไรก็ได้เราเฉยเฉยไปแต่ไม่ต้องโกหกมีเขาเข้ามาถามอะไรเราก็ไม่ต้องตอบไป แต่อย่าไปโกหกเพราะโกหกมันผิดศีลแล้วมันจะทำให้เราเป็นคนเสียเครดิตไปต่อไปจะไม่มีใครเข้าเชื่อเราหรือถ้าเกี่ยวเรื่องกับกฎหมายก็อาจจะถูกจับลงโทษได้เนี่งั้นอย่าไปทำบาปเพื่อทำให้คนอื่นเขาสบายใจแล้วเราต้องเป็นแพะรับบาปต่อไปคำถามจากเฟ e บุ o k ครับ กราบเรียนถามหลวงพ่อครับถ้าตั้งใจปฏิบัติแล้วจะได้ผลไหมครับสาธุครับถ้าตั้งใจปฏิบัติแล้วต้องปฏิบัติให้ถูกด้วยตั้งใจปฏิบัติแต่ปฏิบัติผิดก็ยังไม่ได้ผลตั้งใจแล้วก็ต้องปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติถูกเนี่ยชอบก็คือปฏิบัติถูกปฏิบัติดีก็คือปฏิบัติเต็มที่ต้องปฏิบัติเต็มร้อยแล้วก็ปฏิบัติให้ถูก แล้วผลก็จะเกิดขึ้นมาแต่ถ้าไม่รู้วิธีปฏิบัติก็ต้องศึกษาก่อนนะถ้าไม่ศึกษาเดี๋ยวไปปฏิบัติก็ปฏิบัติผิดปฏิบัติผิดแล้วก็ผลที่ต้องการให้เกิดมันก็จะไม่เกิดคำถามต่อไปครับถ้าศีลไม่ครบปฏิบัติแล้วไม่ได้ผลช่ไม่คับหลวงพ่อคือศีลเวลาปฏิบัติมันครบอยู่แล้ว ก็เวลาเราปฏิบัติเราไม่ได้ไปทำบาปใช่ไหมเรานั่งสมาธินี้เราทำบาปข้อไหนครับเราฆ่าเรารักทรัพย์เราประพฤติผิดประเวณีเราโกหกหรือปเปล่าเราไม่ได้ถ้าเราปฏิบัติมันแสดงว่าตอนนั้นเรามีศีลแต่ปัญหาคือก่อนที่เรามาปฏิบัติเนี่ยถ้าเราไม่มีศีลเราไปทาอะไรผิดเสียหายเราก็จะถูกเขาจับไปลงโทษซะก่อน เราก็จะได้ไม่ไม่ได้มาปฏิบัติเทัานั้นเองเังนั้นการรักษาศีลนี้เพื่อป้องกันปัญหาต่างๆที่จะมาดึงเอาเราไปทำอย่างอื่นไปรับโทษหรือเอาไปแก้ปัญหาต่างๆถ้าเราทผิดแล้วเดี๋ยวมีคนก็ามาฟ้องร้องก็ต้องขึ้นลงขึ้นศาลอะไรกันยุ่งวุ่นวายไปหมดเวลาที่เราจะเอาไปปฏิบัติก็เลยไม่มีถึงต้องรักษาศีล ถ้าเรารัาษาศินเราก็จะไม่มีเรื่องวุ่นวายไม่มีปัญหาต่างๆมาลบกวนทั้งทางใจและทางกายเราก็จะได้มาปฏิบัติได้งั้นถ้าเราได้ปฏิบัติแล้วก็แสดงว่าเรามีศีลแล้วถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติก็แสดงเรายังต้องไปขึ้นลงขึ้นศาลยังต้องไปแก้ปัญหาจากการกระทำบาปของเราอยู่มันก็ทาให้แสดงว่าเราไม่มีเอน คำถามต่อไปครับน้อมกราบพระอาจารย์เจ้าค่ะกราบเรียนถามเราจะมีวิธีชนะความอยากให้ออกจากไปให้ออกไปจากจิตใจได้อย่างไรดีตอนนี้ต่อสู้กับมันทุกวิธีทางบางทีก็เหมือนชนะแต่เดี๋ยวมันก็วนกลับเข้ามาอยากใหม่พยายามทำบุญทำทานเพื่อไล่ความอยากพวกนี้ออกไปแต่มันก็เกาะติดที่ ใจออกอยากออกยากหรือเกินพระอาจารย์พอมีหนทางชี้แนะนําแบบง่ายๆไหมเจ้าคะเราก็ต้องมองมุมกลับสิเวลาเราอยากได้อะไรเรามักจะมองมุมดีใช่ไหมอ๋อดีแล้วเกินสวยแล้วเกินเราก็ต้องมองมุมกลับอถ้าเป็นคนเราก็ต้องมองกลับเข้าไปข้างในอย่ามองข้างนอกมองข้างนอกก็สวยหล่อไปหมดนะ ยิ่งถ้ามีเครื่องสมอางแต่งหน้าทาปากด้วยโอยิ่งกลายเป็นนางฟ้าเทวดาคิดตอนที่เขาตื่นมาจากเตียงมั้งตอนตื่นมาเช้าๆเนี่ยผมยุบผมยุ่งเหยิงน้ำลายะจะขี้มูกอะไรติดออกมาไม่มีเครื่องสมอางทาปากทาหน้าทาคิ้วดูอย่างนั้นมันก็จะเห็นมุมที่ไม่น่าดู อันนี้เพียงแต่ขั้นที่แบบเบาๆถ้าจะหนักกว่านั้นก็นึกตอนที่เขาป่วยไข้ก็ได้เวลาไปเยี่ยมเขาลงพยาบาลนี่เขาน้ารักมาหรือมองตอนที่เขาตายาไปแล้วไปดูดน้ำศพนี่เห็นก็นอนแข็งทื่ออย่างนีน้ทีนี้อยากจะไปรักไปอยากไปชอบเขาหรือเปล่าถ้ายัางยังรักยังชอบอยู่ก็ให้มองเข้าไปข้างในเลยทีนี้ มองเข้าไปในอวัยวะต่างๆที่มีอยู่ในร่างกายทุกคนมีปอดมีตับมีไตใช่ไหมมีลำไส้มีสมองมีโครงกระดูกดูอาการต่างๆเหล่านี้แล้วความรักความชอบก็จะเบาลงถ้ายังไม่เบาก็ไปดูที่ป่าช้าเลยทีนี้ ป่าช้าที่เขาไม่ได้เผาศพเขาทิ้งศพไว้สมัยนี้คงไม่มีแล้วแต่สมัยก่อนนี่เขาศพไปทิ้งในป่าช้าแล้วปล่อยให้มันเน่าให้มันพองขึ้นมาแล้วให้หมาสัตว์อะไรมากัดมาแทะเอานอนมีนอนมาใชมีแรงมีกามากัดกระดูกแขนขากระจายไปเป็นสัตว์เป็น เป็นไปแต่ละทิศแต่ละทางอันนี้ก็เป็นการดูความไม่สวยงามของร่างกายถ้าเรามีความรักความชอบในเรื่องของร่างกายถ้าเป็นสิ่งอื่นก็เหมือนกันต้องมองมุมกลับของเขาถ้าชอบอาหารก็ต้องมองมุมกลับของอาหารอาหารมันจะต้องกลายเป็นอะไรต่อไปจากจานมันก็เข้าปากเรแล้ว พอเข้าปากเคี้ยวผสมกับ น, น้ําลายถ้าคายออกมาก็ไม่อยากจะกินลนะถ้าเข้าไปในท้องอาดเจียนออกมาก็ไม่เอานะถ้าถ่ายออกมามันก็ยิ่งไม่เอาใหญ่เนี่ยมองมุมกลับของอาหารแล้วความอยากในะอาหารก็จะไม่มีอย่างอื่นก็ต้องมองมุมกลับมันไม่ดีอย่างเดียวหรอกทุกอย่างมันดีตอนตอน้นเวลาได้อะไรมาใหม่ๆ ม, มันก็ดีเดี๋ยวใช้ไปใช่ไปเดี๋ยวมันก็เสีย รถซื้อมาใหม่ๆก็ใช้ดีเดี๋ยวใช้ไปใช้มามันก็เสียพอเสียก็ใช้ไม่ได้ก็ต้องเข้าอู่อั น, นี้ต้องคิดถึงปัญหาที่จะตามมาจากสิ่งต่างๆที่เราอยากได้มันไม่แน่นอนมันไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่เหมือนเดิมมันดีเดี๋ยวเดียวแล้วเดี๋ยวมันจะกลายเป็นของไม่ดีไปถ้าคิดอย่างนี้แล้วต่อไปมันก็จะไม่อยากได้อะไร คำถามจากคุณสุชาดาค่ะกลาบนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะกลาวเรียนสอบถามขณะเดินจงกรมมีหลักการเดินอย่างไรบ้างเจ้าคะต้องจดจ่อกับการย่างก้าวแต่ละก้าวความเร็วช้าต่างกันอย่างไรเจ้าค่ะตามธรรมดาก็เดินแบบธรรมดาเดินแบบาพาบินทบาทนะไม่เร็วกันไปไม่ช้าเกินไปเดินแบบสบายสบาย แล้วก็ให้มีสติอยู่กับการเดินก็ได้หรืออยู่กับพุโทโธก็ไนดะ้แต่เราใช้พุโทโธเราเดินไปก็พุโทโธพุธโทโธไปอย่าปล่อยให้ใจคิดเรื่อยเปื่อยอย่าเดินแบบเดินตามศูนย์การค้าศูนย์หมดดูไปก็เห็นอันนั้นก็สวยนี่ก็สวยเห็นแล้วก็เกิดความอยากได้ขึ้นมาให้ดูให้ดูเดินแบบไม่มีความคิดปรุงแต่งเดินแบบพุโทโธพุธโทโธไป หรือถ้าจะดูเท้าก็ได้ดูว่าเท้าซ้ายกำลังก้าวก็ว่าซ้ายเท้าขวากำลังก้าวก็ว่าขวาไปก็ได้ซ้ายขวาซ้ายขวาไปเพื่อให้ไม่ให้ใจไปคิดเรื่องราวต่างๆเป้าหมายของการเดินทางร่างกายก็เพื่อให้ร่างกายได้เปลี่ยนอิริยาบถถ้านั่งนานๆมันก็เมื่อยเราก็ลุกขึ้นมาเดินส่วนจิตใจเราก็ทาต่อ กอควบคุมจิตใ จ, จเจริญด้วยการจเจริญสติให้อยู่กับพุทธโธพุทธโธไปแล้วอยู่กับการก้าวเท้าไปอันนี้คือการเดินจงกรมคำถามจากคุณวิชัยเจ้าค่ะกาบเรียนถามค่ะนั่งสมาธิคิดแต่คำภาวนาอย่างเดียวเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงต้องภาวนาแบบนี้ตลอดไปหรือไม่เจ้าค่ะ ถ้ามันยังไม่สงบก็ต้องภาวนาไปเรื่อยๆที่มันไม่สงบเพรา ะ, ะคาบริกรรมของเราอาจจะขาดขาดหายหายถ้ามันต่อเนื่องนี่ห้านาทีสิบนาทีมันก็สงบสงบแล้วมันก็จะนั่งต่อไปได้นานนั่งอย่างมีความสุขโดยที่ไม่ต้องบริกรรมพุทโธแต่ถ้าพุทโธไปแล้วก็คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปสลับกันไปสลับกันมา นั่งไปชั่วโมงมันก็ไม่สงบเหตุเราต้องมาดูที่คำบริกรรมว่าเราบริกรรมอย่างเดียวหรือเราบริกรรมแปบเดียวแล้วก็หายไปนั่งคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วเดี๋ยวสักพักก็กลับมาพุโทโธใหม่ถ้าอย่างนี้มันก็นั่งไปกี่ชั่วโมงมันก็จะไม่ได้ผลต้องมาแก้ที่พุโทโธที่สติให้มันต่อเนื่องอย่าให้มันหายอย่าให้มันขาดขาดายหาย คำถามจากคุณหญิงเจ้าคะ่ะคนที่มีหน้าที่ประหารชีวิตผิดศีลหรือเปล่าคะหรือทหารที่ไปรบในหน้าที่ยิงคนตายถือว่ามีความผิดหรือผิดศีลหรือเปล่าเจ้าคะถ้าฆ่าก็ผิดั้งนั้นนะเหมือนกับคนที่มีอาชีพฆ่าสัตว์เนี่ยคนที่ฆ่าเป็ดฆ่าไก่ฆ่าวัวฆ่าควายทหารตำรวจหรือใครก็ตามมันก็เหมือนกันเป็นอาชีพเหมือนกัน กก็เหมือนนัคำถามจากคุณพัทรพงศ์เจ้าค่ะกับเรียนถามพระอาจารย์ว่าถ้าพระต้องอาบัติปราชิกแล้วเมื่อถอยหลังกลับไปเป็นคารวะาจะสามารถบรรลุธรรมได้หรือไม่ครับถ้าเป็นพระยังปฏิบัติไม่ได้ไปเป็นคารวะจะ ปฏิบัติได้ยังไงเพราะโอกาสมันต่างกันเป็นคราวาสก็ต้องไปวุ่นวายกับการเลี้ยงปากเลี้ยงท้องทำมาหากินไปมีลูกมีเมียคนที่บวชเป็นพระแล้วศึกเป็นปราชิกก็เพราะไปอยากจะไปมีลูกมีเมียนั่นเองพอศึกไปก็จะไปมีลูกมีเมียจะไปกลับไปปฏิบัติยังไงไม่มีทางหรอกแต่ถ้าพูดแบบกรณีพิเศษน อาจจะผิดพลาดครั้งเดียวแล้วกลับไปกลับเนื้อกลับตัวแต่บวชไม่ได้ก็อยู่แบบอุบาสกอุบาสิกาไปถือศีลแปดไปแล้วก็ตั้งใจปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาไปก็ไปอยู่วัดเหมือนกันแต่แทนที่จะไปบวชก็เป็นอยู่แบบภักขาวไปแล้วก็ปฏิบัติไปก็ถ้าปฏิบัติมักแปดได้ครบบริบูรณ์ก็บรรลุได้เหมือนกัน แต่นี้เป็นกรณีพิเศษต้องแบบเป็นอ ง, องค์โคลิมานอย่างนี้นยถึงเย็นเยือเป็นได้องค์โคลิมานฆ่าคนมา9 9้า้า้าคนยังกลับใจได้ยังกลับมาฆ่ากิเลสแทนแล้วก็บรรลุปเป็นพระอาหารหันต์ได้คำถามจากเฟซบุ๊กครับผู้ไม่ประสงค์ออกนามกราบพระอาจารย์ค่ะตอนนี้หนูพยายามงดอาหารหลังส3บสามนาฬิกา ถึงเวลารับประทานอาหารหนูอยากทานอาหารประเภทหนึ่งหนูสามารถซื้อแบบอยากที่ทานหรือไม่ควรซื้อแบบที่อยากทานเลยไหมคะหรือควรพิจารณาอย่างไรครับถ้าเราต้องการที่จะปฏิบัติให้ก้าวหน้าเราก็ต้องกบจัดความอยากในทุกรูปแบบมันมาทางอาหารก็ต้องกบจัดมันอยากจะกินอาหารแบบนี้ก็ต้องอยาไปกิน ไปกินอาหารแบบที่เราไม่อยากอหรือถ้าเราไม่รู้ก็เวลาไปร้านอาหารก็บอกให้เขาจัดมาก็แล้วกันอะไรก็ได้เอากับข้าวมาสักสองอย่างเอาข้าวเปล่ามาไม่ต้องมาถามว่าอย่างไหนแล้วแต่แล้วแต่คนขายอยากจะขายอะไรก็เอามาเราจะกินตามที่เขาเอามาให้กินตามที่เขาจัดไม่ได้เกิดจากความอยากของเราเนี่ย นี่มันก็จะช่วยกาจัดความอยากในอาหารได้คำถามจาก <c oughs> คุณสานุษาค่ะกรรมกิเลสสี่คืออะไรคะทำแล้วเป็นบาปหรือไม่เจ้าคะอันนี้ไม่รู้นะถ้ามันต้องไปค้นหาใน Google เดีวะกิเลสเราคิดว่ามีแค่สามคือโลภโกรธหลงกรรมกิเลสอะ วันวันนี้เพิ่งได้ยินคำนี้เหมือนกันนะถ้ากรรมแปลว่าการกระทำกิเลสแปลว่าขโขาโกรหลงแต่กรรมมากิเลสรวมกันเลยไม่รู้ว่าเป็นอะไรกันนะ คำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามคะ่ะหนูไปอยู่กับพระหนึ่งรูปคอยอุปถัทธท่านแต่ท่านชอบตําหนีคนนั้นคนนี้เที่ยวเอาเรื่องคนนั้นคนนี้ไปเล่าให้อีกคนอื่นฟังหลัวควรจะออกห่างใช่ไหมคะดูแล้วประพฤติไม่เหมาะสมเจ้าคะ่ะอถ้าไม่เหมาะสมแล้วเราไปปฏิบัติท่านทําไมการปฏิบัติเราต้องการสนับสนมพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ แต่ถ้าท่านไม่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็ก็เหมือนกับไปสนับสนุนโจร น, นั่นเองเราต้องการสนับสนุนคนที่มาทำประโยชน์ให้กับาศาสนาเราไม่ต้องการไปสนับสนุนคนที่จะมาทำลายาศาสนา คำถามจากคุณสุบินเจ้าค่ะกราบขออนุญาตถามการที่คนเปลี่ยนชื่อแล้วเปลี่ยนชีวิตใหม่ให้ดีขึ้นเป็นความจริงหรือเปล่าเจ้าค่ะก็ลองไปทําดูสิจะได้รู้ว่าจริงหรือเปล่าถ้าจริงก็เปลี่ยนชื่อกันทุกคนแล้วสิคนที่ติดคุกก็ไปเปลี่ยนชื่อเป็นคนดีในดีไปหมดเลยแล้วดูเจ้าจะออกจากคุกได้หรือเปล่า พอเปลี่ยนชื่อครับไปบอกนี่ผมเปลี่ยนเป็นคนดีแนละ้วขอให้ปล่อยผมออกจากคุกเขาจะปล่อยหรือเปล่าคำถามจากอาจารย์รบเจ้าค่ะกราบนมัส ก, การครับใจไม่สงบแต่พอจะฟังทำหรือทำสมาธิใจก็ไม่ยอมทำทั้งที่รู้ว่าเป็นสิ่งที่ต้องทำมีวิธีอย่างไรถึงจะแก้ได้ไหมครับอันนี้เป็นคำถามสุดท้ายเนะีย ก็ต้อง บ, งบังคับเท่านั้นเนี่ยเหมือนกินยายาเราไม่มีขครอยากกินโดยเฉพาะยาขมๆเนี่ยแต่ถ้ากินแล้วมันทําให้หายไขย้หายเจ็บหายปวดเราก็ต้องฝืนบังคับกินมันธรรมะก็เป็นเหมือนยารักษาใจเใจที่วุ่นวายใจที่ทุกข์นี้จะหายได้ก็ต้องเกิดจากการฟังธรรมฟังแล้วก็นําเอาไปปฏิบัติต้องทําทั้งสองอย่างทำงฟังอย่างเดียวก็ยังไม่พอ ปฏิบัติอย่างเดียวโดยไม่ทำเดี๋ยวก็แบบกินยาแบบไม่ดูฉลาดเดี๋ยวก็กินยาผิดขนาดก็กลายเป็นพิษขึ้นมาได้เป็นโทษขึ้นมาได้งั้นเราต้องบังคับต้องมองธรรมะให้เห็นว่าเป็นยารักษาโรคใจธรรมะโอสถเนี่ยนี่เรียกธรรมะเป็นยาเป็นโอสถถ้าเราเห็นว่าเป็นยาเป็นประโยชน์กับการรักษาเราก็จะฝืนบังคับตัวเรา ถ้าเราไม่เห็นว่ามันเป็นประโยชน์เราก็จะไม่อยากจะฝืนบังคับตัวเราเองเรานะวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพิจิตพิพพจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเาิด